การหมทธนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูทธ์ในวันนี้ก็จะพูดเรื่องชนะสันธนาชาดกคือธรรมะในชาดกนั้นก็เป็นธรรมะระดับจรินธรรมจัญยาส่วนมากซึงกหมายความว่าเกี่ยวข้องอยู่กับชีวิตของคนแต่ละคน แในขณะเดียวกันตัวบุคคลในะดุจริงก็เป็นความเคลื่อนไหวของธรรมะที่มีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วเมื่อกลายเป็นแบบจำลองชีวิตหรือภาพจำลองชีวิตที่คนสามารถยึดถือเป็นแนวในการละเว้นในการประพฤติปฏิบัติ ตามส่งควรแกรกรณีดังนั้นได้จะโดกเรื่องนี้ก็ เ, เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันในช่วงนั้นก็ใจว่าพระเจ้าประเเสนที่โกศลคงจะเริ่มนับถือพระพุทธศาสนาใหม่ๆนะประเทศไทยก็ยังแกว้งอยู่เพราะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ บ่อยๆที่เกี่ยวกับพระเจ้าพระเศสทิ้กุศลเป็นบางคราวก็ไปกินสินบนณักบวชนอกพระพุทธศาสนาบางทางทางุตัวเองก็เป็นเป็นพุทธแล้วนะฮะนับถือพระพุทธเจ้าแล้วแต่คนก็ไปให้สินบาทค่าสินบนท่านทั้งก็รับเผยพวกนั้นมาสร้างวัดเบียดกับพระเจดจ์ตะวันคือติดกับพระเจดจ์ตะวัด ราไปขอร้องก็ไม่ยอมจนในที่สุดผู้เจ้าต้องเสด็จเองจึงแก้ไขได้มันก็แสดงลักษณะของจิตที่ศรัทธาเริ่มสายยังเลื่อนลอยอยู่อ่อนไหวได้ง่ายแที่ตัณห ป, ประมาเหมือนเข้ากล้าที่เพิ่งเจริญเติบโตเนี่ยคือยืนหยัดด้วยตัวเองยังไม่ค่อยได้มันจะถูกแรงกระทะแรงๆมันก็ตายได้ ศรัทธาที่มีอยู่ภายในใจคนมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ในช่วงนี้เกิดขึ้นจากการที่สมุทร ม, มองหมกมุ่นอยู่ในการมกุลวาความสุขอยู่ภายในพระราชวังมากแล้วก็ติดสุขในการมันละเลยราชภาระการตัดสินอถกดีทั้งหลายข้อพิพาทั การประชุมข้าราชการการสเตตออกเพื่อข้าราชการได้เฝ้ารายงานข้าราชการปรึกษาข้าราชการแต่รอดถึงการดูแลติดตามดูสุขทุกข์ของราษฎรจนมันก็หายไปหมดมันทาไม่ได้แล้วจนวันหนึ่งท่านคงจะสั่งอะไรขึ้นมาคือท่างคิดได้เองเหมือนกัน น, นะครับบอกออว่าเราลืมเฝ้าพระพุทธเจ้าไปตั้งนานแล้วไม่ได้เฝ้าเลย ก็สเสด็จมาเฝ้าพอเสด็จมาถึงถวายบังคมแลพระพุทธเจ้า ก, ก็รับสั่งกิริย์เราดูรับสั่งตรงนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะคุ้นนะฮะแล้วค่อนข้างจะดุด้วยเราสั่งมาว่าพิษทายหน้าไปไหนนานไม่ไม่เห็นหน้าเลยแต่ท่านก็เลี่ยงไงนะท่าไว้บอก พระองค์มีภาระมากไม่กิจมากงานในราชวังนะมากงานโอกาสที่จะมาเฝ้าถวายบังค ม, มก็ไม่เคยมีมก็แสดงอะไรออกมารุ้งควรนะฮะว่าความหนักแน่นในทางธรรมะจริงๆเนี่ยยังไม่ยังไม่มากพอที่จะรับอะไรตามความจริงโดยการอ้าง ธุระติดธุระมีการงานมากอะไรต่ออะไรเนี่ยบางที่นั่งคุยมันก็ถือเป็นงานนะนะอันนี้ท่างก็โมเมาหมกมุ้นอยู่ในกาบัคุณทั้งหลายเพลินๆในกาบัคุณทั้งหลายท่านก็ถือว่าเป็นงานไปด้วยแต่มือนกับพระเราเนี่ยฮะดูดมนต์จันเพล็ดมนต์จันเจ้าดวดมนต์แต่งงานนั่งปูตาวิเศษเป็นงานไปหมดเลยเลยไม่ว่างนะนนั่งคุยญาติโยมชดน้ําชาเป็นงานหมดเลย ถ้างนั้นก็ไม่ว่างตรงนี้เราจะเห็นว่าท่านก็ขาดความจริงใจเพราะาจริงๆมันไม่ใช่งานแต่ก็อ้างว่าเป็นราชภาระพระเจ้าก็ทรงทราบแต่พุทธดารัดตรงนี้มาอย่างอมาอ่ายังมองว่ากล้ๆจะดุนะรับสั่งว่าการที่คือคือคือเราปแปลมหาบพิ์เฉยๆเราต้องเข้าใจนะฮะว่า จริงๆแล้วบาลีใช้คำว่ามหาราชาะไนี่มาราชมันก็คล้ายๆแนวภาษาอังกฤษนะฮะมีอะไรอยู่ๆอยู่เนี่ยฮะแล้วพอมาถึงเป็นเราเราก็แปลกันเรียบร้อยไปเลยอะฮะเราแปลตมภาษาเราแต่จริงๆแล้วเนก็เรียกว่ามหาราชการที่ท่านมีเราซึ่งเป็น ศ ส, สดาโคโยวาชี้แจงแนะนําสั่งสอนอยู่เช่นนี้ทําตนเป็นคนประมาทนันไม่สมควร๋ไม่สมควรเนี่ยเข ท, ท, ที่จริงดุแล้วนะขนาดประราชาชนรับสั่งขนาดนั้นมันคงจะดุแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็เน้นจํำถามสี่ข้อว่าหนึ่งเนี่ยรงไว้ควรประมาทในรัช ก, กิจที่จะต้องรับผิดชอบทั้งหลาย เอาเรื่องจริงมาพูดนะฮะพระพทันละเลยราชกิจเลยพระเจ้าก็ทรงรู้ว่าตรงนี้นปัญหาอยู่สรงไแล้วก็ตอกยามให้ไม่ประมาทในราชกิจท้งไมคือไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งแมวใจใสก็ถือว่าเป็นการประมาทในราชกิจย่ามีความตั้งตัวเหมือนบิดาของประชาชน ไว้วางพระองค์เหมือนบิดาของประชาชนไปในชาติแล้วให้งดเว้นจากอคติจงประพฤติปฏิบัติในทศพิตราจะทำเอาหลักเลยนะตรงนี้ท่านจะเห็นว่าสี่ข้อเนะียสีข้อนี้เป็นเป็นเรื่องหลักจริจริงไม่ประมาทมันก็รวมนะ ไม่มาก็รวมหมดแล้วความไม่ประมาทก็คือการเลินเลอ่อการเพลินการปล่อยปราการละวางการทอดทิ้งการขาดความระมัดระวังมันเยอะแยะนะคุสรุปว่าขาดสติในการคุ้มครองตัวเองในขณะที่เราเป็นอย่า ง, ง น, นั้นน่ยที่จริงมันเสียอะไรไปเยอะเวลาของชีวิตเราก็เสียไปเรา แก่ไปแล้วก็ความตายมันก็ใกล้เข้ามาโอกาสที่จะทําความดีอะไรมันก็ถูกตัดออกไปที่จะสรุปรวมว่าประมาณในวันในชีวิตในความไม่มีโรคและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าช่วงจังหวะโอกาสที่จะกระทาความดเีเราก็ไม่ได้ทําแต่เราก็กลายเป็นทําความชั่ว เมื่อก่อนนี่มีพระเวน็นักนักเรียนนอกนะฮะเขามาบวชแล้วก็เดินคิดอยู่บอกห้าหกวันนะผมก็คิดไม่ออกเลยว่าคนเราในเกิดมาทำอะไรแล้วแก็เดินตามไปก็ถามาคนเราในเกิดมาทำอะไรพถ้าจะตอบเนี่ยมันก็ตอบได้นะฮะแต่ก็มีคนเถียงกันได้ เพร า, าเราไปถามคนแต่ละคนก็จะตอบตามความรู้สึกของเขาเมื่อเราเฉียงกันว่าอยู่เพื่อกินได้กินเพื่ออยู่เนี่ยเมื่อแล้วแต่ใครจะพูดนะเราก็พูดตามพื้นฐานเขาแต่เราควรจะหาคําตอบ่าเกิดมาแล้วเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันน่าจะหาคาตอบตรงนี้มากกว่าการเกิดมันเป็นกระบวนการขธรรมชาติเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายนะัะเป็นกระบวนการของ อนก่อนจะตายเนี่ยมันก็ทำยังไงที่จะให้สมกับเกิดมาเป็นมนุษย์มาหบถพระพุทธศาสนามีเรี่ยวแรงมีกำลังจะทำความดีได้นแล้วก็ทำความช่วได้ด้วยมันก็เลือกเอาเราจะเลือกเอาตรงไหนแค่นั้นเองเพราะการละเลยในลนนนักษณะนี้ก็กลายเป็นเรื่องของความประมาท ซึ่งโครงสร้างทด่เคยที่เคยสรุปไปฟังความที่พระเจ้าทรงแสดงมันเกาะกลุ่มอยู่3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือประมาทในการละทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ละความเห็นผิดแล้วประมาทในการประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาใจแล้วก็ทำความเห็นให้ถูกต้องดัง น, นั้นก็ถือว่ามีความปันี้ขึ้นไปโดยลําดับเป็นการเพิ่มพูน ธรรมะเราก็ลดกิเลสลดภะพาทสะลงแต่ที่นี่ความความไม่ประมาทเนี่ยคือตัวสติที่จะต้องทำหน้าที่เราเลึกรู้ต่ออารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาสัมผัสเป็นปตัการใหญ่ก็คือส่งสอนไม่ประมาทในการระวังจิตตัวเองรักษาจิตตัวเองเราคงประสบอารมณ์โลกลนะฮะยังไงเราต้อง Yin, แต่ว่าทํำยังไงอย่าให้มันเกิดกํำนัดขัดเคืองลุ่มหลงโวเมาก็มีสีอารมณ์มีสีอารมณ์เท่านั้นเองที่มีปัญหานะฮะคือกํำนัดขัดเคืองลุ่มหลงโมเมากําหนัตก็คือกิเลสสายโลภะเกิดขัดเคืองก็โทสะเกิดลุ่มหลมลก็โมหะเกิดัวเมาก็ขาดสติคือประมาทเกิดซึ่งพอประมาทแล้วกิเลสทุกข้อมันก็เกิดได้หมดก่อนไหนก็ได้นะ ทีนี้ประการต่อไปเรื่องการวางตัวเป็นเรื่องสาคัญเมื่อคืนก็มีเจ้าหน้าที่ขวากันมาที่การการาศาสนาวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับมาคุยก็ต้องคุยตั้องใจคุยนิดหน่อยประเด็นคุยความเห็นมันเกิดตรงกันเลยว่าไปตั้งสามชั่วโมงคือเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ของเราเนี่ยคือมา่อคามเมื่อเราเป็น เราอยากเป็นเพราะเรามีภาวะตันหาเมื่อในการเป็นในที่มันเกิดจากแรงผลักดันของภาวะตันหาเงื่อนไขทางสังคมอยากอยากอยากโตอยากมีเกียรติอยากได้สายสปายอยากอะไรพวกว่าว่าไปเรื่อยๆนะแต่มันมันมันเป็นวงจรของตันหากรมตันหาภาวะตันหาแล้วก็เสร็จแล้วก็วิภาวะตันหาคืออยากเป็นต่อไปดีเลยในจุดเนี้ยในขณะเดียวกันเราก็ขาดความความเพียรคือเราเกียดครา เพราะะคนเราจึงเวลาเป็นอะไรแล้วมักไม่ทําได้ตามที่ตัวเป็นไม่ต้องอะไรแล้วฮะแม้แต่ว่าจะเป็นพระเป็นเดนเป็นอุปาสุกเป็นอุบาสิกาเป็นสามีเป็นพันญานะฮะมันก็อยากเป็นกันอยนั้นแต่โอาจริงเราเราทําไม่ได้ดีตามที่เราเป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจนี่ยมันแคบใจนี่มันเห็นแก่ตัวแต่พอเป็นมันมีเรื่องเกี่ยวยงเยอะ จะเป็นสามีปัญญาเนี่ยมันมันมันเห็นแก่ตัวไม่ได้อย่างน้อยมันต้องเห็นแก่สามีปัญญาพอมีลูกมันก็ต้องเห็นแก่ตัวเองสองคนไม่ได้มันต้องเห็นแก่ลูกก็เห็นแก่มันก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็พูดกันมาจดถึงว่าเช่นสมมติว่าเราเนี่ยเราเป็นพระทมมติเราเป็นพระอย่างน้อยเนี่ยเราต้องรับผิดชอบตัวเราได้แต่เมื่อเราโตขึ้นเราต้องดูแลรับผิดชอบคนอื่นใจเราก็ต้องเผื่อแผ่ทังน พเป็นเจ้าคณะระดราใจมันต้องแผ่ออกไปจนถึงเป็นเจ้าคณะจังหวัดใจมันต้องแผ่ไปเต็มจังหวัดนะใจต้องนึกถึงพระทั้งจังหวัดเพราะโครงสร้างของการอยู่ร่วมกันทั้งหมดเดี๋ยวพเจ้าจะวางอย่างนี้คือพ่อแม่เนี่ยฮะเป็นแก่เช่นอุปชัยยะอาจารย์อุปชัยยะอาจารย์ก็คือคนที่บวชให้ป้าะนะก็เรียกุปชาย อาจารย์กนะ็คือผู้ดูแลเนี่ยอาจารย์ก็คืออุปัชฌายาอาจารย์ผู้ปกครองสมภารเนี่ยคือพ่อแม่คือพ่อนะเพระาะตั้นเป็นพระนะก็เรียกว่าพ่อ ต, ตรงไหนเป็นแม่ก็คือแม่นะฮะพ่อแม่ก็คือกันนะแล้วก็ต้องมองคนเหล่านั้นเป็นลูกไอ้ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยมันเกิดปรมิหารได้พนอะเกิดปรมิหารได้อากติมันก็เว้นได้ทีนี้มัน มันเป็นปัญหาตรงนี้ว่าเรามองเป็นเราเป็นเขานั่นคือความขัดแย้งไปนการต่อสู้กันในด้านจิตใจเพราะว่าตาหามันเป็นพวกกิเลสอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นใจน้อยเห็นแก่ตัวนะจนถึงก็ยื้อแย่งกันนะอยากได้ก็อยากได้คนเดียวพอเพื่อนเราเพื่อนได้เราไม่อยอมถึงจุดหนึ่งนี่คือการปรนปลือตัวเองพวา ก, กิเลสมันปลนปลืตัวเอง ใครขัดขวางการได้การมีการเป็นของเราเรากรธเราก็ทํำลายเลยดังนั้นในจุดเนี้ยมันมันมันก็เกิดเป็นปัญหาว่าการการเป็นของเราเนี่ยบางทีก็กลายเป็นจระเรขัขวางกรอกคือขัดขวางความเจริญอะไรต่างๆ่างเขาไว้เพกคนที่เป็นไม่ได้ทําคนที่ทําไม่ได้เป็นนะคือสิ่งที่ที่สร้างปัญหา แต่นั้นในจุดเนี้ยพระพุทธเจ้า ก, ก็สอนว่าให้ทำพระองค์เหมือนบิดาของราษฎรไปไปอยู่หาความสุขส่วนตัวไม่ได้นะมันต้องนึกถึงถึงลูกของรับผิดชอบเป็นตัวราษฎร น, น, นั้น แ, แม่ตากรุา่าพริพุทธเจ้าเบิกฐามเกิดได้แต่เรามองคนหล่นั้นเป็นลูกแล้วก็ให้อภัย ไ, ได้อดทนได้ เลาเธอประสบปัญหาก็แก้ไขได้เรียกว่าก็คือเป็นกัลยาณมิตรดังนั้นมารดาบิดาท่านจึงเรียกผมมิตรมิตรในเรือนของลูกเป็นมิตรภายในเรือนเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์ในที่พูดเเพราะงั้นการปรับใจที่จริงเนี่ยมันก็มันก็อยู่ที่การทําใจนะฮะว่าเราทําใจให้ยอมรับได้ไหมเพราะบางที บางคนก็ไม่ทําใจก็มีนะฮะคือคือก็ได้ลูกได้เต้าแล้วแต่ก็ไม่ทําใจว่าเป็นลูกเป็นเต้าก็ไม่มสนใจก็มีแล้วก็อยู่ที่ทําใจได้ไหมถึงไม่เป็นลูกก็ทําใจเป็นลูกก็ได้มันไม่ได้แปลกอะไรก็มีความดูแลเอืออ้อถอดออกจใส่จตกคนหล่อนัอ้นจิใตใ จ, ใจมันก็ปกแผ่ไปเรื่อยๆกลายเป็นพรหมวิหารพอพรหมวิหารได้บันก็ไปได้นะ ต่อไปก็ทรงสอนให้เว้นอคติวันก่อนนี่ท่านอดีตประธานศาลฎีกาท่านพูดอะไรดีดีมากไอ้ภาษากฎหมายมันน่าฟังก็ไปอ่านคำพิพากษาตัดสินคดียุทิธรรมเนี่ยอ่านแล้วมันไพเราะมากภาษากฎหมายยังเก็บไว้ว่าจะเอามาอ่านอีกเที่ยววันนั้นมันเรื่องอ่านเยอะเลยยังยังไม่ค่อย ตลอดฮนะไม่เคยเข้าใจตลอดแต่สรุปว่าเป็นภาษาที่ไปเราพูดกระชับแต่านประธานสารนิกาท่านพูดว่าอันดีประธานสารนิกาคนโน้นนะฮะก่อนหนอท่านบอกว่าคดีในทํานองเดียวกันสารนิกาก็าคงจะพิภากษาในทํานองเดียวกันเพราะว่าความเป็นธรรมนั้นจะต้องแน่นอนถ้าพิภากษาเป็นอย่างอื่นจะไม่แน่นอน อยู่ายว่าเป็นธรรมเนี่ยมันต้องแน่นอนก็เราดูอย่างที่เคยบอกว่ามันเหมือนกับมิเตอร์เนี่ยอุณหภูมิมันขึ้นอย่างเนี้ยมิเตอร์ไปถึงบางปั๊บมันก็ขึ้นอย่างเนี้ยเอามากี่อันกี่อันมันก็อย่างเนี้ยถ้าไม่ขึ้นหรือเลยไปก็แสดงมิเตอร์นั้นเสียแล้วมันไม่เป็นธรรมความยุติธรรมนั้นจะต้องแน่นอนอันนี้นี่คมมากๆนะฮะความเป็นธรรมนั้นจะต้องแน่นอนถ้าไม่แน่นอนก็จะไม่เป็นธรรมอาจารยคนนี้ตัดสินอย่างนี้คนนี้ตัดสินอย่างนี้เรื่องเดียวกันนะะ แต่ทิ้งคนเราเรื่องเลยคมมากไงนะฮะเป็นคําพูดที่ค ม, มากโอยภาษาอามาเคยเคยคุยกับเขานะฮะเคยคุยกับเขาเรื่องเรื่องปัญหาแต่แกติก็ไปอารมพิพากษาแล้วเสร็จแล้วก็นั่งคุยกับเขาเขาพูดให้ฟังประโยคนึง่นะฮะแล้วมาก็จํามาตลอดเลบอกมันเป็นอย่างงี้คือว่าเรื่องเรื่องทั้งหลายที่มองผพิภากษาเขามองเนี่ยเขามองสองแง่ เงี้ยหนึ่งในความจริงในข้อกฎหมายแล้วก็ปัญหาในข้อเท็จจริงกับปัญหาในข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงนี่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่หยั่งไม่ถึงอะครับมันก็เอาแต่ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆว่าเป็นอย่างเงี้ยข้อกฎหมายว่าอย่างเงี้ยจากข้อจากข้อมูลทั้งหลายซึ่งมันจริงร้อยเอร์ซนหรือไม่ ก, กัไม่รู้เดี๋ยวข้อมูลเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย ข้อมูลเป็นอย่างนี้ข้อกฎหมายก็ว่าอย่างงี้มันก็โอเกทางกฎหมายเนี่ยครับติมันมีอยู่สองข้อว่าปัญหาข้อกฎหมายกับปัญหาข้อเที่จริงซึ่งตามปกติต้องสดคล้องกันเนนะฮะจึงจะกลายเป็นความยุติธรรมเอาความข้อเที่จริงก็เป็นอย่างนั้นข้อกฎหมายก็วินิจฉัยไว้ถูกตรงตามข้อเที่จริงแต่เนี่ข้อเที่จริงบางอย่างมันก็ยาก่นะแต่สรุปว่าข้อที่จริงมากที่สุดถ้าที่จะมากได้ก็ได้แั่ ก็ภาษาที่บันไยรอยมาแล้วก็คืออะไรก็คือไม่อคติความเป็นธรรมความยุติธรรมความเที่ยงธรรมทั้งหลายที่จริงก็คือไม่อคติไม่อคติก็คือลักษณะของมิเตอร์ลักษณะของมาตรวัดอะไรต่างๆยายัายางไงอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวอุณหภูมินะฮะแล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศในขณะนั้นๆ มิเตอร์มันจะขึ้นไปตามสภาพสิ่งควาล้อมอากาศเมื่อการวินิจฉัยตัดสินถูกผิดมันก็ตัดสินไปตามกรณีของความผิดทั้งในข้อกฎหมายแล้วก็เพือ่อเท็จจริงอคติเนี่ยเป็นข้อที่ส่งส่งเน้นสําหรับผู้มีหน้าที่บริหารทุกคนคือตั้งแต่ตัวเราที่บริหารตัวเราถึงจะมีครอบครัวเนี่ยฮะก็สอนเวทอคติอคติมีสีข้อเท่านั้นฮะพูดเท่าไรเท่าไหนาที่ไหนเท่าไหนก็ตามคือสี่ข้อเท่านั้นเอง แล้วกติมันจะเกิดอีกยังไงก็ตามมันจะมาจากสี่ข้อนะฮะความไม่เป็นธรรมตั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมาจากสี่ข้อคือเราจะเห็นอย่างในกรณีที่คุณถนัดคอมันเขาพูดเรื่ององค์การอะไรต่างประเทศที่มันวุ่นวายพวกนิทรรศกรรมพวกอะไรต่อะไรที่มันวุ่นวายมากเนี่ยยุนจ้าดไปทุกแห่งโดยเฉพาะกับเอเชียเนี่ยมันวุ่นวายพวกฝรังมันเบ่ง มันอ้างตัวเองของมันยุติธรรมนะฮะแต่เราแต่เราเห็นได้ว่ามันไม่ยุติธรรมอย่างกระดีมิ่นพระบรมนะฮะสามครั้งพระบรมเดชานุภาพในี่สามคดีท่านเล่นใกล้ๆนะฮะไม่ต้องไปออกชื่อคนนะสองคนนั้นติดตารางนะตอนนี้ก็ออกแล้วคนหนึ่งก็ตายไปแล้วคนหนึ่งก็ออกมาพวกนั้นไม่อยู่ที่ไหนไม่เห็นมาโผล่มาเลย พอมาถึงอีกคนหนึ่งโอ้ยมาต่อต้านมาขัดขวางมาเรียกร้องใช้บีบรัดมาจากตามประเทศโอ้ผมกูสารพัดนั่นคืออคติเราเห็นได้ชัดมันอคติมันเรื่องเดียวกันทําไมยังไม่แน่นอนล่ะถ้าถือว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นการที่รอนสติมนุษยชนก็ทุกคนก็ตอนนีการปกป้องแต่ว่ามเลือกปกป้องไงเนี่ยรื่องปกป้องไอ้นี่คือคือองค์การในลักษณะนี้มันมันมันมไม่มีจริงอะะมันไม่สุดจริตจริง เพราเรื่องเรื่องอคติก็คือการการไม่ลําเอียงเพราะอาศัยการผูกพันกันเป็นการส่วนตัวไม่จะเชื่อมโยงยังไงก็ตานะฮะการผูกพันเป็นการส่วนตัวที่ยิ่กันไม่ใช่ส่วนตัวมันอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนน้องของเพื่อนของเพื่อนอีกทีก็ได้ก็ต่อกัไม่เป็นแถวเลยคนบั่นเดียวกันคนผักเดียวกันคนชาติเดียวกันอะไรอะไรก็ได้นะครับอคตินั้นอาศัยการผูกพันเชื่อมโยงกันเป็นการส่วนตัว การอาคติเพราะไม่ชอบกันก็ไม่บางทีอาจจะไม่เป็นการส่วนตัวก็ได้นะแต่ว่าที่เรียกว่าแบบมาป่ากับลูกแก่นะพ่อไม่ทำตัวไม่ทำก็พอทำพอทำพ่อไม่ทำก็ปู่ทำมันก็หารเรื่องให้ได้อนชะ่นั้นก็คือลักษณะของการรับ ลำเอียงพวกกลัวอำนาจอิทธิพลกลัวผลประโยชน์จะสูญเสียกลัวภัยอันตรายจะเกิดขึ้นแก่ตนกลัวสานะของตนจะตกต่ำมันกลัวเยอะนะฮะกลัวเยอะแต่ถ้าลองสังเกตว่าไอ้นี่มันมันเรื่องมันมันเรื่องเห็นแก่ตัวเองนะครติเนี่ยคือคือเห็นแก่ตัวเองแต่ทีนี้เราไปทํางานทํางานเพื่อเพื่อคนอื่นเพื่อผลประโยชน์แก่คนอื่น แต่เราก็พุ่งรักษาผลไม่อยู่เพราเราก็เลยยุ่งแล้วก็ลําเยียงเพราะไม่รู้เหตุผลเมื่อวานก็พูดกับพระสองแห่งไงะตอนนี้หมอให้พักฟื้นเลยก็ไม่ยอมไปพักเลยไม่ฟื้นเลยเฮียทำไงเกือบสองเดือนแล้วไม่ฟื้นเลยก็บอกให้พักกันนะแต่เราอยู่ที่วัดแล้วก็ไม่ให้พักเพราะน้อ้ทำนั่นก็เนี่เรื่องมืนเยอะเลยกันเฮยไม่ฟื้นทีนึ่น เออก็บอกว่าข่าวเล่าลืออะไรต่างๆเช่นมีคนโจทย์พระรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยเราไปเชื่อวันที่เป็นข่าวลือทัานเองเราเชื่อแล้วอันนี้คือโมหะเป็นโมหะกติมันโง่นะพูดง่ายๆว่าโง่เพราะตอนเราเชื่อข่าวลือในพระพุทธเจ้าก็มีข่าวลือเยอะนะแปดสิบปีในคนสร้างข่าวลือใส่ร้ายเยอะเลยแต่ชาวพุทธสมัยนั้นก็ไม่ได้เชื่ออะไร ขนาดนั้นพิงจะมานาวิกามาบอกว่าพระเจ้าทําให้แกท้องคนยังไม่เชื่อเลยจะพูดขนาดนั้นสมัยนั้นมันหนักแน่นขนาดไหนไอ้ น, นี่ไม่เป็นพราะตั้งข่าวลือแล้วก็เชื่อแล้วนั่นคือลักษณะของโมหะคติไม่ได้มองในแง่ในของเหตุของผลเพราะนันพอมาถึงเป็นระดับผู้บริหารอย่างพระราชานี่พระราชาถือเป็นตัวอย่างนะฮะมันสอนจากสูงลงมาล่างสอนจากสูงลงมาล่างแต่นั้นเอง ปกตินั้นเป็นเรื่องที่ต้องละเว้นไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนต้องละเว้นเวลาเกี่ยวข้องคนอื่นเนี่ยต้องมีความเป็นธรรมมีใจเที่ยงธรรมพูดก็เท่าที่จําเป็นต้องพูดก็เรียกว่าพูดตามที่เห็นได้ยินได้ฟังไงนะะอย่าไปขยายอย่าไปใช้อารมณ์เข้าไปเพิ่มเติมเข้าไม่ว่าอารมณ์รักหรืออารมณ์ชังก็ไ ท่านตั้งหลายจะเห็นว่าเเมื่อเรามองไปจนถึงพวกศีลเนี่ยที่จริงมันเกิดจากใจที่มันเอียงนะที่มันเอียงเช่นอยากพี่น้องเราทําผิดเราก็ปกปิดเอาไว้ที่ก็าเรียกอำความอําความก็คือลําเ อ, อียงประคายกันทีนี้ถ้าคนของคนที่เราไม่ชอบไปทําผิดเราก็ขยายจะหยดย้อยเลยนะ เพิ่มเติมไปใส่ไข่ทะเลเลยไอ้ น, นั้นก็คือลําเอียงเพราะไม่ชอบกันมันก็เป็นอคติเป็นอคติเพราะฉะนอคติมันมันจึงสร้างปัญหาธาตุภัตมันเป็นกิเลสประเภทโลภะตุศรโมหะนะฮะอย่างที่เรียบเรียงไว้ในหนังสือสองสว่างกลางใจนะฮะที่จริงมันก็คือโลภะตุศรโมหะแต่เป็นอาการที่แสดงออกแล้วเนะี่ยมันมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของบุคคล ประการต่อไปคือทศพิราชาิธรรมทศพิราชิธรรมนั้นเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่อยนะฮะท่าพูดกันสักแต่ก็นเน้นตรงนี้เรื่อยที่จริงก็คือธรรมะนะฮะทศพิราชิธรรมก็คือธรรมะที่สาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายเพียงแต่ว่ามันเหมือนอะไรเหมือ น, กนแกงส้มสักถ้วยหนึ่งรแกงส้มสักกระทะหนึ่งเนี่ยมันก็คือแกงส้ม ปริมาณของเครื่องทั้งหลายที่เป็นแกงส้มมันมันเพิ่มขึ้นแต่นั้นเดงกอ่ะที่จริงก็คือแกงส้มันก็ไม่มีอะไรการใช้ธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราเหมือนก็เราใช้แรงนะใช้แรงเราก็หยิบของของเล็กๆก็หยิบนิดเดียวได้แล้วก็ใช้มืออย่างนั้นแะของใหญ่ๆเราก็ใช้มือแต่วันใช้แรงเพิ่มขึ้นธรรมะมีลักษณะอย่างนั้นทุกคนเนี่ยต้องมีธรรมะเ่าแต่เวลาใช้ไม่จาเป็นจะ่ต้องใช้หมด เหมืนแรงนะเราไม่ได้ใช้จนหมดแรงแต่เราก็ใช้ใช้ตามสมควรแก่กันนี้นะนะพระราชาท่านต้องใช้มากเพราะวาปะัญหาสับสนมันแย่เรื่องของคนนี่ยมันมั น, ม, นมันไม่รู้จะว่าอย่างไงนะคือคนก็คือคนเนะี่ยเพราะถ้าเราไม่มั่นคงแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ได้ลำบากจะเป็นที่เคารพสักการะเธอทูมในสุนรวมจิตใจกันก็ได้ลำบาก โดยเจ้าปร์เซนที่โกศลนี่เขเก่งนะท่านอยู่มาถึงพระชนมายุแปดสิเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่ขานก็ขัดเกลาองท่านเรื่อยนะฮะแล้วถ้าเราสังเกตว่าพระราชาผู้ใหญ่สี่องค์เนี่ยนะฮะพระเจ้าจันทบพโชดพระเจ้าปิปิสา พ, าพระเจ้าปอร์เซนที่โกศลพระเจ้าอุเทนเนี่ยนะฮ ะ, ะนี่ถือระดับมหาราชเนี่ยสี่องค์พระเจ้าประเซนที่โกศลรู้สึกจะคุณมากแล้วก็รู้จะโดนเตือนแรงๆนี่บ่อยเตือนแรงๆนี่บ่อย เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ญญาพิมพิสารเนี่ยท่านเป็นประโสดาบันเรียบร้อยไปแล้วนะฮะมันก็ไม่ต้องตักเตือนอะไรเจ้าจันทร์พระโสดา น, นไม่ได้ค่อยพบกันอุเทนนะฮะเขาก็อยู่ในช่วงหลังช่วงหลังตอนพระชนพระพุทธเจ้าประชดมายุมากแล้วต้นสะพิษราจะธรรมก็คือก็เรียกว่าเรียงทานนางศรีลางปริจจารถัน อาชวงมัตรวังตะปังอากโกทางหิงสัญจากันินจา่าเวโรธนาะเออเป็นการเรียงโดยฉันนะฮะฉันทลักษ์เนี่ยมันเรียหมันต้องการาทีฆารศักะารุาารลโอหูมันในเบื้องนก็กรอนในสมัยนี้ไม่มีทีฆารศักขรุลโอหอะไรก็ว่าเป็นตะโกนดังๆอะไรกันเนี่ยนะจริงๆมันมันเป็นศิล น, นะฮะมันเป็นศิลในการร้อยกลองราเราฟังแล้วเนี่ยมันก็เยอะ แต่ที่จริงแล้วการปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นหลักการบริหารตัวเองเป็นหลักนะบริหารคนอื่นเป็นหลักบริหารงานเนี่ยเป็นหลักก็แล้วแต่เช่นว่าทานเนี่ยมันเป็นการบริหารคนอื่นเป็นตัวเชื่อมโยงผูกใจคนอื่นศีลมาบริหารตัวเราเองอ่ศีลเนี่ยเป็นฐานในการปกครองคุ้ครองตัวเเองบริจาค ก, การเสียสละเป็นการบริหารคนอื่น เราไปชอบคนอื่นส่งเคราะห์นค ร, รคน อ, อื่นแล้วก็เสียสละประโยชน์สุขต่างๆเพื่อคนอื่นแสดงว่าเราต้องไม่ให้ความสำคัญแก่เราเราต้องให้ความสำคัญแก่ส่วนรวมก็เราก็เล็กนิดเดีย่ยแต่ว่าสังคมส่วนรวมที่เราต้องรับผิดชอบนั้นมันมากมายกายกองมากจนถึงจุดหนึ่งว่ต้องเสียสละประโยชน์สุขทั้งหลายในขณะที่คนอื่นนอนเราก็คงนอนไม่ได้อะนะฮะนอน เราต้องทํางานหละนะักนั้นอาฉวะความซื่อตรงมันเริ่มที่เรานะแต่เราก็ไปสัมผัสคนอื่นเมื่อเราจะต้องสัมผัสเขาด้วยความซื่อตรงมัทธวะในบริหารที่เราแต่เป็นสร้างสเสน่ห์แก่เราคือเราจะอ่อนโยนลักษณะอ่อนโยนนี่คือการหลงประเด็นในการบริหารเมื่อก่อนเขาพูดอบรมสรังกัิการนะฮะสังกัิการก็คือพระที่จะเป็นสัมผัส จะวัดต่อไปเนี่ยอเชื่อท่านเห็นว่าคำว่าผู้บริหารเนี่ยลักษณะงานจริงๆน่คือบริการบริการก็คือสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ประชาชนเพราะฉะนั้นใจมันต้องรักคนที่ที่เราต้องดูแลบริหารเขาไม่ใช่เป็นตัวอำนาจอำนาจเนี่ยเขาไม่เคยใช่หรอเไม่เคยใช้ แต่ใช้เอาใจเขามาให้ใจเขาเกิดความรักความศรัทธาความจรรยาปฏิปนะีอะไรก็แล้วแต่นะอะไรก็ได้ประการต่อไปก็ตะปะก็คือความเปี่ยนพยายามตะปะอันนี้หมายหมายความว่าในส่วนตัวในส่วนงา น, นคือใช้ความเพี่ยนพยายามทีนี้บางเรื่องเนี่ย บางเรื่องมันก็ต้องใช้ประเดษเป็นในการบริหารนะมันก็นลักษณะของนิกาปการ ะ, ะาคือการคงการยกจ้องนะที่พระพุทธเจ้าอนุตโรบริสธรมสาระิเป็นสาระชีที่คือคนได้อย่างยอดเยี่ยมยไม่ได้ใช้วิธีเดียวนะฮะที่บอกว่าวิธีหยาบตามด้วยละเอียดหยาบก่อนนะฮะละเอียดทีหลังมันก็เหมือนกับสูงมาทำเฟรเจอร์นี่ก็ยยกตัว อ, อย่างบ่อยๆละเอียดเลย ละเอียดได้เลยคนคนนีเ้เรียบร้อยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องไปดุไปอะไรเขาอะเขาเรียบร้อยพูดนิดเดียวพอแล้วเข้าใจแล้วพูดกันง่ายพวกอาชานในทั้งหลายเนี่พูดง่ายเว้นตะบะนี่มันก็ต้องใช้แต่ว่าใช้ในกรณีที่ต้องใช้แล้วทุกคนเห็นร่วมกันว่าตรงเนี้ต้องใช้อย่างเงี้ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่ว่าบทจะใช้กฎหมายไม่ยอมใช้นะฮะ แล้วในสีตรุกฎหมายก็กลายเป็นเศษกระดาษไอ้ยางงี้บริหารบรนเมืองไม่ได้เหมือนกันบริหารวัดจะไม่ได้บริหารบ้านยังไม่ได้เลยนะอโกทังคือต้องไม่โกรธไม่ใช้อารมณ์ในการบริหารหมายความไม่ได้ใช้อารมณ์โกรธอโกทักก็คือเมตตานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเริ่มที่งดเป็นก่อนคือไม่โกรธก่อนเพราะถ้าโกรธมันเมตตาไม่ได้หรอก เราจะใช้เหตุผลในกรณีนั้นนั้นถึงเครื่อดาลของทศพิธราจะทน่ท่านท่านท่านท่นต่ า, าจจเห็นว่ามันขึ้นไปไม่ค่อยได้นะเวลนี้มีการประรบประรบทางกระทรวง ศ, ศึกษาธิการก็เริ่มมีแนวคิดใหม่นะฮะรัฐสภาเองก็เริ่มมีแนวคิดใหม่ที่จะนิมนต์พระเข้าไปให้ช่วยเทศช่วยสอนะไรต สอนน่าคงไม่ขยยากนะครแต่ปัญหาจะมาฟังหรือเปล่ากประชุมประชุมสภาเองก็มากันไม่ค่อยรครบไปนะครฟังเทศจะมาหรือเปล่าแต่เขาก็เริ่มคิดกระทรวงสาธารณสุขเริ่มเริ่มเอาเลยนะเทศทิศาลาอะไรเขาเนี่ยเขาก็ประชุมข้าราชการรัทมนตรีก็ลงมาฟังเทศอะไรกันเรทําได้ไบ่อยๆก็ดีแต่เมื่อวานมาก็เสนอแนะไปนะฮะบอกว่า คืออยไปเอากันขนาดนั้นเวนี้นรถอมันติดมากเท่า่แบสื่อเรามีแล้วนะโทรทัศน์เนเรามีแล้วเรามาตกลงมาประชุมมาสัมมนามาเลือกเนื้อหามามองปัญหามาเลือกเนื้อหาธรรมะแล้วมาเลือกคนที่จะพูดจะแสดงแล้วก็ออกโทรทัศน์เลยอิสลามทําละหมาดวันทังหครั้งเราตีซะว่าครั้งละห้านาทีห้าครั้งก็ยี่สบห้านาทีเปิด เดือนนึงให้ข้าราชการเนี่ยหยุดฟังเทศเจ้าสี่ครั้งครั้งละยี่สิบห้านาทีจ้างให้ฟังนะตอนนั้นได้จริงร้านต้องจ่ายต้องจ่ายเงินเดือนเอาตรงนั้นดีกว่าคืออย่าไปอย่าไปทำมันเป็น เ, น เ, นเรื่องเรื่องพิธีรีตองมากคือเราต้องการให้รู้ทำปฏิบัติทมแล้วมีคนดีเกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าวัดอะไรบ้างนั้งหาแล้ว ตอนนี้ที่จอดรถก็หายากอะวันนี้ก็หาที่จอดรถไม่ได้รถก็ติดแยะเอาที่ที่มันให้เกิดประโยชน์กันแล้วกันเนี่ยนะเพราะในศาสนาเนี่ยอย่างที่บอกว่าอุดมการ์พูดจริงๆเนี่ยแล้วทำยังไงประชาชนให้รับประโยชน์จากศาสนาเท่านั้นการเข้าวัดนั้นเป็นเรื่องที่หลังเป็นเรื่องที่เขาต้องการจะเข้ามาวัดเพื่อต้องการจะควาเป็นความดีเพิ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล จะอย่าลืมว่าคนเข้าวัดเนี่ยมันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะนะมีวิกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคนที่สร้างปัญหาเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเราต้องติดต่อกับคนพวกนี้ให้ได้จะทํายังไงจะติดต่อคนกลุ่มนี้ให้ได้ก็ต้องใช้โทรทัศน์หรือว่าปลไปกับสื่อหรือว่าเรียกอะไรแต่ไรเนี่ยแต่เนอแน่เมื่อวานว่าอย่างโทรทัศน์บางควรจะแบ่งเวลาว่าเป็นบันเทิงเท่าไร่เป็นเพลงเท่าไหรเป็นละครเท่าไหรเป็นข่าวเท่าไร สารคดีเท่าไหร่เป็นศาสนาเท่าไหร่วัตถุธรรมเท่าไหร่ประเภทนี้เท่าไหร่มันมันมันมันต้องแยกออกมาให้ได้มันไม่ใช่อะไรก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไปมั่วไปหมดเลยก็เต้นแร้งเต้นกากันจะเป็นลิงเป็นข้างหมดละคือมันมันมันมันมันจะต้องมีอะไรนะให้คนมีจิตสํานึกมีความรู้ความคิดเราเปมีงานละแยดนะฮะตั้งตั้งนั่งหลายใจว่าอารมณ์คนมันรุนแรงมาก อะไรก็ไม่รู้นิดๆหน่อยๆฆ่ากันตายแล้วเปี่ยงป่างเล่นลูกระเบิดแล้วพูดขาดหูนีดเดียวยิงเปี้ยงแนละ้ว ม, มันแรงที่เกิดนะอาจจะเกี่ยวก ข, ข้องาับรถติดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามั น, มนก็แรงไงคระะับฟัก็บุ่งไปเดียเขาก็เกิดประโยชน์ทกันคือไม่โกรธมาความว่าก็คือมีใจเมตตาแล้วก็อหิงสาคือไม่เบียดเบนะียนฮะ ไม่เบียดเบียนคือการุณานะจริงจอ่ะกรุณาแต่ว่าเราเริ่มต้นตรงนี้คือเริ่มต้นที่ไม่เบียดเบียนก่อนกรุณาทํายากแล้วก็อดทนผลการอดทนตรงนี้ท่านจะเห็นว่าตบะในมันมันท่ายทำบริหารตนบริหารบานหารคนไปิหารงานขันติเนี่ยรักษาใจตัวเองแต่ว่าเราเกี่ยวข้องกับคนไม่เบียดเบียนรากษาใจตัวเองเกี่ยวข้องกับคนขันติก็เหมือนกันนะนะฮะเราเนี่ยเป็นฐานแต่ว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับงาน ตัวการใหญ่มันอยู่ข้างหลังสุดคืออวิโรธนะต้องไม่ผิดไม่ผิดธรรมะไม่ผิดจารีตประเพณีแบบแผนขนทมทำเนียมอะไรต่าง ๆ, างๆ เ, เราจะเห็นว่าคล้ายๆกับรีดทา่าพื้นหนึ่งเนี่ยมันต้องเรียบหมดนะยนะไม่ได้มีปัญหานในจุดใดจุดหนึ่งแต่อาจจะดีตรงนี้จริงแต่มันมีปัญหาในตรงนี้มันมีปนนัญหานในด้านจารีต ในด้านประเพณีในด้านวัฒนธรรมในด้านโมโนณธรรมในด้านกฎหมายมันมันเยอะแยะนะเรื่องมันเรื่องเยอะแต่ว่าในกรณีอะไรก็ตามคือย้ายผิดในกรณีนั้นย้ายผิดในกรณีนั้นกรณีนั้นก็กลายเป็นหลักแล้วเสร็จแล้วก็ทรงรับสั่งว่าถ้ามาประพฤติธรรมได้อย่างเงี้ยหมายความยังไงหมายความว่าไม่ประมาทในราชกิจทั้งหลาย แล้วก็มองราษฎรเหมือนบุตรธิดามหาคติแล้วก็มีทศพิราชธรรมประชาชนค้าราชบริพารข้ารา ช, าาราชาการทั้งหลายของพระองค์ก็จะเป็นอย่างที่พระองค์เป็นบ้านเมืองก็จะอยู่จะอยู่ดีมีสุขได้มหมายความว่าจะต้องเป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติตัวหัวหน้าทั้งหลายนี่นำในการประพฤติปฏิบัติกฎีไทยเราก็มีเยอะนะเห็นไหมฮะ ดูหางดูนางดูแม่ด้วยแน่ดูถึงใหญ่นั้นแสดงถึงปฏิปทาในการปฏิบัติเหตุมันสะท้อนกลับไปกลับมาได้ดูวัดดูฐานดูสมพภารดูลูกวัดวัดไม่ดีนะฮะลูกวัดไม่ดีหลงชีสกปรกอะไรอะไรเนี่ยเห็นไหมมันมองกลับไปกลับมาได้ดูวัดดูฐานดูสมภารดูลูกวัดหมายความว่าดูตรงไหนดูวัดเนี่ยมันมันจะสะอาดเรียบร้อยไหมก็ดูห้องสุ่มสะอาดไหมถ้าไม่สะอาดก็แสดงไม่เรียบร้อย นิสัยไม่รักความสะอาดบางทีลูกวัดไม่ดีอะลูกวัดไม่ดีเราก็รั่วสมพันธ์ไม่ดีก็เรียกว่ า, าลูกวัดไม่ดีหลวงชีโสกปลกอันนี้คือมองกลับไปกลับมากันได้ตัวหัวหน้าจะเป็นตัวสะท้อนถึงลูกน้องก็เรียกว่าถ้าหัวหน้าเป็นหลักไว้ได้เนี่ยลูกน้องก็ไม่กล้าหรอกถ้ากล้าบ้างก็จัดการได้เพราะไม่ได้อยู่ในสภาพ สภาพที่เราเรียกว่ากายเห็นตีนงูเห็นนงไก่มันก็จะการกันได้เวลานี้ที่ไม่กล้าจะการมันมันมันมันมันก็มีก็เรียกว่ามีมีไพ่ตายถือกันไว้ในมือนะฮะไม่รู้ใครจะหงายไพ่กันมาตรงไหนก็ชักจะกลัวๆก็เลยก็ไม่กล้าแย่งกันแล้วก็รับสั่งว่าการที่พระองค์ทําได้อย่างนี้ที่จริงแล้วไม่อาจจะกัน ว่าเพราะวันดิตในสมัยก่อนเนี่ยแม้จะไม่มีศาสดาคอยแนะนําชี้แจงสั่งสอนมันก็สามารถที่จะปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสงบได้แล้วก็รับสั่งเล่าพระเจ้าประสิทธิ์ในกศลก็ต้องการจะสงทราบว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงก็รับสั่งเล่านะฮะไว้ใจความโดยสรุปว่าในดีตการนานมาแล้วเจ้าพระมทัสเสวยราชสมบัติในเมืองพาราณสีตรงนี้จะไปติดใจอีกนะฮะพารา พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นในคานของพระมเศสีไดรัการเฉลิมพระนามวาชนะสันทนะวชนะสันทนะก็คือเป็นคนที่ดูชื่อนะอามาว่ามองมันน่าจะเป็นเนมิตะ ก, กนามในมิตะกนาหมายความว่าไงหมายาเกิดขึ้นมาจากความดีของท่านเกิดจะเกิดขึ้นาจากความดีของท่านาเช่นอนาตบินติกะเศรษฐีนี่ที่จริงไม่ใช่ชื่อจริงนะฮะไม่ใช่ แต่เราก็ไม่ค่อยรู้ชื่อจริงเพราะว่าไม่ค่อยมาพูดกันชื่อจริงของท่านเนี่ยชื่อวสุทัตตาแต่ชื่ออาณาตบินทิกาเศรษฐีนี่เขาเรียก n a มิตกรกันามคือชื่อที่เกิดขึ้นจากความดีจริงๆมันความดีก็ได้ความชั่วก็ได้นะฮะดีก็ได้ค ว, ดไดความชั่วก็ได้ก็แล้วแต่ก็จะเรียกแปลว่าผู้ที่มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาณาถาหมายความว่าท่านก็มีโรงทานแจกจ่าย อาหารแก่รัชดสันตนาก็คือเป็นคนที่เชื่อมต่อก็อมีมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนดีพูดแง่ายงั้นนี่นะฮะคือสัมพันธ์กับประชาชนนี่ดีก็ทําให้เกิดความเคารพนับถือจงรักภักดีต่อมาท่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจาแผ่นดินก็เกิดสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนไปจนถึงยากไร้นะฮะ ก็มีการตั้งโรงทานขึ้นมาแจากแต่คนที่เดือดร้อนอะไรก็จะส่งบะบัิให้แก้ปัญหาให้แต่หมายความว่าคงจะไม่จะตั้งโรงทานให้มีชมรมรับอาหารโรงทานไม่ทำงานอะไรนะฮะก็แ้วก็ยังมีปัญหาปัญหาด้านความประพฤติการปฏิบัติ คนเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องกินอย่างเดียวนะครับ ม, มีปัญหาอีกเยอะแล้วพระองค์ก็พยายามแนะนําชี้แจงปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างมันภายในบริเวณใกล้เคียงนยคนที่ใกล้ชิดพระองค์ก็เป็นคนดีแล้วเพราะภายในวังมันก็เรียบร้อยดีนะอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขแต่ไปมองไปที่ราษฎรก็ยังมีปัญหาเยอะทานก็ประชุมราษฎรนะรชี้แจงแล้วก็ประทานโอวาทสิบข้อ พระธรวาอะไราสิบข้อว่าคนที่ทำไม่ดีสิบเรื่องเนี่ยจะเดือดร้อนพรถ้าพวกคุณไม่ต้องการเดือดร้อนก็ต้องงดเว้นเรื่องเหล่านี้นั่นก็คือข้อแรกก็ได้แก่อยู่ในวัยที่จะศึกษาเล่าเรียนศินละปะวิทยาเพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบสมาชีพแล้วก็เหลวไหลไม่ ใส่ใจศึกษาแล้วเรียนรอการเวลาผ่านพ้นไปพอถึงคราวจะใช้วิชาไม่มีวิชาจะใช้อีตอนเนี้ย<อ>เธอจะเดือดร้อนกันนี่คือการกระทําแล้วจะเดือดร้อนในการภายหลังพอตอนแรกมันก็สนุกนะฮะพ่อแม่เลี้ยงดูอยู่นี่นก็สนุกดีแต่ว่าพอพ่อแม่ตายไปอะไรต่อะไรตัวเองไม่มีความรู้มันก็เดือดร้อนในภายหลังนี่เราเห็นได้ชัดนะ หอเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นในแนวนี้อยู่เยอะนะฮะในบ้านเมืองเราก็เป็นเรื่องน้าขวงว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันมันมั น, ม, นมันทำอะไรแปลกแปลกัลกกนที่ไปสิ่งรถอะไรอะไรกันผู้คนใหญ่คนโตตอนนั้นนะฮะจับไม่ได้ตัวสาว บ, บอกพ่อพ่ อ, พอกขต้องว่ากันไปในเมืองไทยอิทธิพลเยอะประการต่อไปก็คือวัยที่จะต้องทำงานสร้างสถานะตัวเอง ไม่สามารถครองเรือนครองสุขได้แต่ก็เที่ยวเยวหลวไหลหาความสนุกสนานเพลิด <ๆ S 1> เพลินเทวเซสมาเลเมาลแหล่งอวัยมุฒทั้งหลายอย่างเนี้ยมังโลกมันก็เป็นอย่างนี้นะอย่างที่เคยบอกว่าโลกที่จริงก็คือโลกกันนะมันก็เป็นอย่างนั้นม า, มาตลอดแล้วแต่ว่าความหลากหลายของเรื่องเหล่านี้มันคืออะไรแต่ที่จริงมันก็คืออบัยมุคือทางเสื่อม เพราะในคนปล่อยประละเลยสองเรื่องเนี่ยเห็นไหมในวัยที่คนศึกษาเราเรียนไม่ศึกษาเรเรียนวัยทางานไม่ได้ทํางานวันนี้ก็จะเดือดร้อนประการต่อไปก็คือคนโกงอะคนโกงคโคตรโกงช่อชนุนประพฤติปฏิบัติตนสร้ากศัตรูรอบทิศทางไงนะีไอ้พวกนี้แน่นอนนะฮะเดือดร้อนนอนก็เป็นหลับต้องย้ายที่นอนต้องปลอมตัวต้องติดหนวดต้องสารพัดอยุยุงยง บางทีเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าไปเลยจยนถึงสัญญกรรมพลาสติกแล้วนะฮะความแปลงไปหน้ากันแล้วอันนี้ก็คือเกิดมาจากความเดือดร้อนเพราะตัวเองไปโกงเขาไปสร้างศัตรูสินธรรมจรญญาทั้งนั้นนะฮะเรื่องสินธรรมจัญญาทั้งนั้นเลยได้ประกันต่อไปก็คือการฆ่าสัตว์ฆ่าคนก็ดีฆ่าสัตว์ก็ดีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเดือดร้อนในการภายหลัง การเดือดร้อนมันก็อาจจะบางชีเนี่ยคนจิตใจที่ประณีตบันอาจจะนึกขึ้นมาแล้วก็สลดใจหดหู่ใจว่าเออเราก็เพื่อเคยๆทำบาปกรรมเหล่านั้นเอาไว้แต่ที่บางชีเนี่ยมันเป็นเดือดร้อนเพราะอาดยานะเช่นการฆ่าคนเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะอาดยาของบ้านเมืองการต้องหนีกระเซาะกระเซิงต้องซุกซ่อนหลบภัยอันตรายหรือบางทีก็เดือดร้อนในนระก น, นี่ก็แล้วแต่นะฮะแต่แน่นอนที่สุดก็คือเดือดร้อนเพราะสร้างกรรมเป็นเหตุเดือดร้อนประการต่อไปก็คือการเม A นะการเม A นี่เป็นปัญหาภูเขานะฮะปัญหาภูเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือการประพฤติผิดในเรื่องนี้เรื่องการเมจะไม่ชัดจ้านและจะเดือดร้อนในภายลัง มีปัญหาสารพัด พ, พวกนี้ปีตราบากนะมีตราบาบอางผู้ชายเจ้าชู้ทั้งหลายเนี่ยผมมีลูกแล้วหวงลูกทาวนะหวงลูกแล้วก็เดือดร้อนนอนไม่กระหลับลปกติสุขภาพจิตแย่แล้วก็เดือดร้อนในในชั้นต่างๆถูกตำหนิตีเตียนนะถูกทำร้ายถูกประทุษร้ายเราจะเห็นว่ามีปัญหาฆ่ากันตายแล้วก็ปัญหาชู้สาวนี่มาปัญหาชู้สาวปัญหาการแย่งผลประโยชน์เรื่องการค้า การทะลาะวิวาทมันก็ไม่มีอะไรนะฮะนีอะไรคนผิดศีลนย่านั้นเด็กสังเกตดูนะฮะมีข่าวข่าวเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาตั้งประเด็นไว้เลยโ อ, อ้ปัญหาชูสาวหนึ่งบางทีก็ปัญหาชูสาวจริงบางทีก็ปัญหากัดแย่งผลประโยชน์กันก็คือปัญหากัดแย่งวัตถุกรรมกันก็ไม่มีอะไรประกานต่อไปก็คือว่าลูกเนี่ยมีหน้าที่เลี้ยงดูบรรดาบิดา แต่ว่าเป็นคนขาดความกตัญญูสมนึกคุณของบรรดาปิตาก็ทอดทิท้งบุปการีไม่เลี้ยงดูท่านตัวนี้ก็จะเดือดร้อนนะเดือดร้อนรายใหญ่นะเดือดร้อนหลายอย่างคือเดือดอร้อนด้วยมโนธรรมสมนึกเนี่ยถ้าเรามีมโนธรรมสมนึกเนี่ยเราก็เดือดร้อนแต่นี้บางทีเนี่ยมันมันเราขาดมโนธรรมสมนึกมันก็เดือดร้อนที่ถูกสังคมกังเกียจพวกนี้ไม่ถึงติดคุกนะฮะแต่ว่าสังคมก็รังเกียจ ขนาดพ่อแม่ตัวเองยังดูแลใจใส่ไม่ได้ยังจะมาดูแลใจใส่คนอื่นได้ยังไงคนสองคนนะะคนแก่สองคนยังเลี้ยงไม่ได้มันจะมีน้ำใจต่อคนอื่นได้ยังไงนะแม้จะไปไปมีสามีมีพัญญาเขาก็ไม่ไว้ใจอนะขนาดพ่อแม่ที่บังเกิดเกล้าเลี้ยงดูตัวมาอย่างไม่เ อ, อเื้อเฟื้อ แต่สามีปัญญาที่จริงมันเป็นคนนอกเปิ่งผูกมือเป็นคนนอกนอกขายกอกีเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะไม่มีใครไว้วางใจไม่มีใครอยากพบค้าสมาคมด้วยแล้วก็เดือดร้อนในตอนต่อไปก็คือได้แบบไอ้กงเกณียนกรงกรรมในการปฏิทุสรายบุปการีอย่าลืมบุปการีมเป็นพระอระหันต์มันแรงอ่ะนะ ตัวเองนี่ยถูกทอดทิ้งนะฮะเป็นตระกูลที่ทอดทิ้งกันไปเลยอย่ายที่เคยเล่าประวัติพระเจ้าช่างตัวให้ฟังนะว่าในวงเนี้ราชวงศ์นี้มันฆ่ากันห้าชั่วคนห้าชั่วคนพ่อฆ่าไม่ใช่ลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าพ่อมาเรยแปดสิบปีนะห้าชั่วคนฆ่ากันมนาะต้องเปลี่ยนราชวงศ์เลยราษฎรต้องต้องต้อ ง, องล้างราชวงศ์ออกมันไม่ไหวะฆ่าเลย ลูกข้าพ่อเลยแล้วอ้างว่ า, ข, า, าข้าปู่เขาอ้างวข้าปู่ที่จริงตัวเองยังไม่เคยเห็นปู่หรอกเพาปูต่ตุข้าไปก่อนปูต่ตุข้าไปก่อนนะพ่อข้าไปก่อนหลานไม่เคยเห็นปู่อะพระเจ้าอาชาติตรูข้าพระเจ้าพิมพิสานพระเจ้าอุทัยพัฒน์ข้าพระเจ้าอาชาติตรูพระเจ้าอุทัยข้าพระเจ้าอุทัยพัฒน์อะไรต่ออะไรเนี่ยฮะอราาิวต่าข้ามันอันนี้ก็คือคคกรงเงินกรงกลับ เพราะงั้นถ้าเราไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ความเดือดร้อนที่เราจะพบในโอกาสต่อไปก็คือลูกเราไม่เลี้ยงดูเราลูกเราไม่เลี้ยงดูเราแล้วก็ต่อไปก็คือภายในอภัยซึ่งต้องมองนะภายในอภัยเนี่ยต้องมองไว้ยังไม่มีอะไรก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้นะฮะเพราะเกิเคยพูดในเปนตตาวัตถุนี่มีเยอะเรื่องไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ตรุษนรก็แสดงความเดือดร้อนมันเยอะเลยหลายตอน ประการต่อไปก็คือโอวาทคำสั่งสอนของบุปการีบุปการีนั้นมีใจเมตตากรุณาปรารถนาใจลูกมีความเจริญอย่างนั้นอย่างนั้นลูกพ่อแม่สั่งสอนมาหมดแล้วทั้งนั้นเนี่ยนะทั้งหลายเนี่ยความเลวร้ายทั้งหลายนีย่ที่จริงพ่อแม่เคยห้ามแล้วแต่เราไม่ทําเองนะสิ่งดีงามทั้งหลายพ่อแม่ก็เคยสอนแล้วแต่เราก็ไม่ทําเองนะฮะเพราะฉะนั้นคนนี้จะเดือดร้อนในตอนหลัง มองย้อนกลับว่าตรงนี้พ่อเคยสอนไว้แม่เคยสอนไว้แล้วเราก็ไม่ทําตรงนี้พ่อเคยห้ามไว้แม่เคยห้ามไว้เราก็ไม่ได้ทําเราก็เดือดร้อนทีนี้การไม่ปฏิบัตรริตามโอว่าคําสอนของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่บังคนสอนถ้าลูกพ่อแม่สอนลูกก็ไม่มีอะไรคืออย่าทําชั่วให้ทางดีดั่นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละไม่มีพ่อแม่ไหนที่สอนลูกให้ทาชั่วหรอกนอกจากพ่อแม่เพียเพ้ยนๆบางคนเวีนเนี่ยที่ส่งลูกไปขายของอะไรแต่เราสอนลูกเป็เปนโจรเนี่ยนะ เป็นนี่มีมากคือมาว่าปัญหาต่อไปเนี่ยคงคงคงต้องคิดเราก็ไม่มีลูกเมตตาไปยุ่งกับลูกละลูกชาวบ้านพุ้นวาคือมันมันรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นห่วงเขาอะนะฮะเป็นห่วงเขาต้องคิดกันเรื่อยปรึกษากันเรื่อยวมาหลายวันนี่เราจะนัดโฟกัสกบรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยพอดีสมเด็จวตรสังเกตไม่บ้าจะนัดไปคุยกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีมาคุยนะฮะ เราจะช่วยกันยังไงมันต้องช่วยกันแล้วนะสังคมเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นรุ่นเด็กๆ เ, เนี่ยตอนนี้เราก็มีกิจกรรมต่างๆนะเข้าไขายอยวชนถ่ายพุทธบุตรเอาเด็กเข้าไปอยู่สามวันเจ็ดวันตอนนี้มาก็ส่งพระไปทำงานต่างๆอยู่สองสามชุด น, นะฮะโอวงนมนมโกรุสิ์ เด็กเราเนี่ยที่จริงมั น, มนเราทําได้น้อยมันเด็กมันเยอะไปทํำยังไงถึงจะให้ช่วยกันเราไม้ละมือให้ช่วยในเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าลูกหลานเราอะนะไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ต้องการใดเราคือต้ององัองการอภิบาลดูแลเขาเปงความเจริญเติบโตเขานันก็คือความสุขใจไม่เป็นบุญนะนะคิดแต่แง่เป็นบุญคิดว่าเราทําบุญนี่ยนะแต่ว่าเป็นคุณแก่ดเด็กเป็นประโยชน์ เพร้นโอวาทคาสั่งสอนของพ่อแม่เนี่ยมันไม่เกิดจากความหวังดีด้วยประการทั้งปวงนอกจากพ่อแม่เพี้ยนๆอย่างทบ้านเนี่ยมาอย่างนึกว่าพ่อแม่เนี่ยมันน่าจะเข้าขอดนะก่อนจะแต่งงานเนี่ยมันน่าจะโอวาทสั่งสอนนะบทนาคงสอนทะางขวัญนาคแต่งงานมันน่าจะเข้าขอดพิเศษมันสอนว่าเป็นผัวที่ดียังไงเมียที่ดียังไงนะเราเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกยังไงเนี่ยมันน่าจะต้องเปลี่ยนเวลนี้ กิจกรรมเหลนี้รู้สึกเ ข, เ, ขเขาช่วยกันอยู่เยอะเหมือนกันนะตามรายการเนี่ยทางแพทย์บ้างทางจิตวิทยาบ้างทางอะไรอะไรบ้างก็ดีก็ช่วยกันทีนี้ประการต่อไปก็คือเรื่องของการประพฤติในสิ่งที่ที่สุจริตนะฮะสรุปรวมว่าประพฤติในสิ่งที่เป็น ความสุจริตเนี่ยมันมีผลเป็นความสุขแต่ทีนี้บางทีเนี่เราก็ไม่ได้ทำแล้วพอเห็นคนอื่นก็รับผลของความดีงามเรานันเราก็ริษยาอันนี้คือจุดที่มีปัญหาว่าริษยาเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าริษยาเนี่ยมันเกิดจากการทำดีของเขาแน่นอนบางครั้งเนี่ยมันเป็นผลของอานิตกรรมมาให้ผล บางครั้งก็เป็นปัจจุบันกการแต่เราก็ไม่เห็นตอนก็ททำความดีนะะใจเราก็เ ย, ยงอะ่ะพอเขาจริญเก้าหน้าเนี่ยเราก็ไปไปริษยาไปตำหนิเขาแล้วก็สุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้ความสุขทั้งในปัจจุบนันทั้งในภายภาคหน้าแล้วก็ในโอกาส ต, ต่อไปวันถ้าคนละเลยสุจริตทอดชิงธรรมะพูดง่ายกว่าทอดทิ้ง แล้วจะเดือดร้อนในการภายหลังการสะสมทรัพย์การรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้ เ, เก็บออมทรัพย์สมบัติเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ทำํำตายหมดเลยมีอะไรกระจายหอาวประกาเข้ามาแล้วก็เดือดร้อนอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ยกตัวอย่างในแง่ของศีลธรรมจัญญานะท่านเห็นว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดศีลธรรมจัญญาทาั้งนั้นไม่มีมรรคผลนิพพานนะฮนะไม่ไม่พูดถึงมรรคผลนิพพาน แต่เป็นการพูดเพื่อความเป็นประชาชนที่ดีเป็นราษฎรที่ดีเพื่อเกิดการอยู่ดีมีสุขของคนคนนั้นเป็นเบื้องตน้นแต่อย่างเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องชีวิตทางนั้นพระเจ้าเจ้านายสันตนาก็พยายามอวาตแนะนําสั่งสอนตักเตือนกันมานี่โดยลำดับก็คงจะไม่จะสอนครั้งเดียวแล้วนะฮะ ว่าพระบรมราชาภิเษกที่เรานํามาเผยแพร่กันอยู่เนี่ยจริงก็ว่ากันตั้งนานนะก็เห็นก็ได้เท่าไรเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลง ย, ยากมันแก้ไขยากอันนี้เราต้องซสสส้ำากซากกันว่ากันอย่างเนี้ฮะรู้รักสามื่อีก็ว่ากันอย่างเงี้ยตั้งแต่ศูนย์สี่มาตั้งแต่เ อ, อ่อเท่าไรสามสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะนะสามสีต่ตอนนี้ก็มีแต่ข่าวทะเลาะนะข่าวสามเมื่ีไปก็มี นี่ได้ขาวทะลาะแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นการมันมีตัวอย่างบุคคลทั้งหมดเราสามารถชี้ไปที่คนได้นะแต่โดยหลักเราไม่ค่อยชีย้คนปัจจุบันเราชี้คนตายแล้วนะฮตายแล้วเราก็ชี้คนไกลๆ ไ, ไอเนี่ยเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทั้งแต่ทว่าศาสนานั้นโดยบรรดาทางศาสนาเราไม่ค่อยพูดถึงคนปัจจุบันหรือว่าคนตายไปใหม่ๆ ต, ตายไหม่ๆเราก็ไม่ออกชื่อสมมุติเป็นนากรนายขอเราจะเอาคนอดีตการนานมาแล้วเพื่ออะไรเพื่อไม่กระตบกระเทือนถึงลูกหลานเขาถึงกวงษากณะญาติของเขาแต่ที่จริงคนเหล่านี้ก็คือลีลาชีวิตมันก็เหมือนกันนั่นแหละใครทำมันก็เหมือนกันมันไม่จาเป็นไปต้องเอาคนปัจจุบันมาพูด คนปัจจุบันมาพูดเนี่ยมันมีคนในร่วมะกูลเขาเยอะนะเราพูดเรื่องความไม่ดีของเขาคนร่วมระกูลก็ต้องมาเถือนและเราเองก็ขาดเมตตาขาดเมตตาต่อคนเหล่านั้นถ้าพูดดีได้นะฮะคือคนปัจจุบันในพูดดีเขาได้พูดเรื่องความดีนํามายกย่องได้แต่พูดเรื่องความไม่ดีเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาเรื่องคนเก่าๆรุ่องโนดแอติเตกะเลเนี่ยดีตการนํามาแล้วเอาเรื่องวรรณคดีบ้างเรื่องอะไรอะไรไกลๆนะฮะลูกหลานไม่รับรู้แล้ว เป็นการแสดงถึงเมตตาธรรมไม่ใช่หมายความว่าคนพูดไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องปัจจุบันเขารู้นะแต่บางมนพูดไม่ได้ปัญญาติเนี่ยเขาไม่พูดกั น, นารเมตตานี่ก็คือเป็นเป็นเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความอุปพันกับสถาบันศาสนา ปัญาใหญ่นะฮะแล้วเราจะเห็นว่าแนวเหล่านี้มันไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าปเสนขุศล์ก็พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้ากุเทนพระเจ้าจตัมมันช่วพระเจ้าสุธตนาอะไรแต่ไรนะมันจะเกาะกันมาอย่างนี้ตลอดเลยเรามาดูในเมืองไทยเราว่าพระเจ้าแผ่น ด, ดินแต่ละพระองค์จนมาถึงองค์ปัจจุบันเนี่ยนะแต่เราดูสมัยราชาธิปไตยเราจะเห็นนะจ๊ะเพราะจะมีผลอย่างแรงต่อการบริหารชาติบ้าน ก็จะตักสินพุทธยวพ้าในเป็นเด็กวัดเป็นเนรเป็นพระนะฮะมันสัมผัสวัดทั้งสามช่วงติการมาติการการศาวัฒนธรรม ท, ที่ชุดเนี้ยที่มันดีอย่างนะ เ, เนี่ยเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าคนที่ประสานสามคนี่ยประธานการมาติการรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ที่มันจะไปได้เพราะตั้งสามคนเป็นเด็กวัดนะสามคนเป็นเด็กวัดมันรู้คุณอุปการของวัดรู้คุณของศาสนามันก็คิด คิดถึงครูอาจารย์คิดถึงผลประโยชน์ที่ที่ที่จะได้จากไอ้ทรัพยากรตรงนี้นะมันก็คิดกันได้แล้วก็มีพวกมหาวิทยาลัยอยู่หลายคนนะมีามหาวิทยาลัยอยู่กันหลายคนแล้วเราก็รู้กันมาที่การที่เป็นผู้หญิงก็เคยเรียนทำศึกษาได้ทำศึกษาโทรเห็นไหมฮะทางคนทังรู้คุณศาสนาด้วยกันเคยเรียนมาแล้วก็รู้มาเขาก็สํานึกคุณศาสนา อันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากที่จะเดินต่อไปได้หรือไม่แล้วพูดจากันรู้เรื่องหรือไม่มันก็ต้องมีพื้นฐานพระพุตธเจ้าฟ้าท่ า, านฟันนงเทศประจับบอกฟังเทศทุกวันเลยทําไปน ะ, ปะพูะพเลิดล้านครับพาไลก็สนพระไทยฟังเทศฟังธรรมราชการที่สามนี่ฟําเป็นบารมีพระโพธิสัตว์นะฮะเรียนแบบพระเวชนด ร, รนะราชการที่ส ตั้ง롱ทนันอะไรตออะไรพระเวสสันนดรทำไงท่านทำตามหมดตั้งบา ร, รมีเป็นพระโพธิสัตว์ต้องการศัต ส, สรูปเป็นพระพุทธเจ้านะไม่จะเล่นนะแล้วจากนันที่4มาแนะนําในตอนหลักนะอย่าไปไกลขนาดนั้นลําบากใช้ไสร้างบา ร, รมีเยอะเอาแค่บรรลุอรหัตพอแล้วขอบรรลุอรหัตพอแล้วอย่าคิดไปถึงกขนาดเหมือนกับอาจารย์เสานะอาจารย์เสาตั้งเป็นปฏิเจกโพธรมาตั้งปรารถนาเป็นพระปฏิเจกพพุทธเจธ้า แร่พระปเจกับพระติจ้าเนี่ยเปนใช้เวลาบำเพ็ญบา ร, รมีหนึ่งเท่าตัวของพระอรหันต์หมายความเราต้องเสียเวลาอีกเยอะเลยเราจะต้องการเป็นพ ร, ระปเจกบพระติจ่าแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้ามันก็อีกหนึ่งเท่าตัวของพระปเจกับพุทติจ้าอีกอันนี้ตายเลยมันก็ทําได้ไม่เท่าไรหรลเอ้ยอย่าไปเริ่ไต่ไปเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะราชการที่สี่นั้นไม่ต้องพูดเลยนะั่นจอมปลาด จอมปราศทางาศาสนาดึงธรรมะเข้าไปใช้ก็เรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี่ยังไม่มีใครถึงท่านเนี่ยนะพระก็เถอะที่เป็นพระก็เหมือนกันไม่มีใครมือถึงท่านความเข้าใจลึกซึ้งในธรรมะเนี่ยเข้าใจในทางแง่ของภาษาในแง่เนื้อหาเนี่ยเข้าพเจ้ไทยมากเก่งมากวาดเปลืองมากอะไรที่เราสวดสวดใ น, นราชการที่สี่เขียนไว้เ น, นี่ยเนี่ยแต่ว่าชาติตอนันเจนได้แต่ใดที่สวดสวดนี้เยอะเก่งมากๆฮะ การที่ห้าเวลานอน42ปีคุณพธรรมสัตธ า, านธรรมะแต่ว่ามีคนที่เป็นแบ็กอยู่เบื้องหลังเนี่ยคือสมเด็จพระมหาสมนเจ้ากรมพระยาวิจาร์โรุตพระอนุชานะฮะก็สมผ่านวันเนี้ยมึงอยู่เบื้องหลังมีอะไรท่านก็ถามให้พระอาจารย์เลขาสองพี่น้องในติดต่อกันกรมสมมต อ, อ, อมออมรพันกรมยานรงราชานุภาพอะไรแต่ ติดต่อ